ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียหนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบรามายังพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์ตุ้มขอโอกาสคณะสงฆ์เจริญพรมายังแม่ชีและก็อบบุบาสิ ก, กานะโดยเฉพาะ ข้าราชการบรจุใหม่ของสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมา ก, ก็นั่งกันตามปกตินะนั่งกันตามปกติไม่ต้องปนมื อ, อวันนี้ก็เป็นวันพุธที่สิบหนึ่งหรือสิบเอ็ดเดือนมีนาคมาพุทธศักราช2อ5 8ก็เป็นวัน แรกนะที่กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่นะของสํานักงานสาธนารณสุขนะครนะจทีมานะเป็นรุ่นที่3นะก็มาเข้าค่ายอบรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะเป็นรุ่นที่3นะตั้งแต่วันที่11นะก็คือวันนี้ไปสิ้นสุดวันที่15 มีนาคมก็มีเวลาที่อยู่จริงๆเนี่ยสามวันก็คือพรุ่งนี้มาลื่นนี้มาเรื่องนี้นแล้วก็วันที่สิบห้าก็คงจะกลับกันไปคำถามก็คือเรามาทำอะไรตามโครงการก็บอกว่ามาเข้าค่ายมาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการจการบรรจุใหม่ นะเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานเทนะ่าที่ทราบนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคลากรเนานะที่ทํางานมาแล้วเป็นลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานนะตอนนี้ก็ได้รับบรรจุให้เป็นข้าราชการนะก็เรียกว่ามีความมั่นคงขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ คงจะทำให้ทุกคนเนี่ยนะมีความยินดีแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในด้านความรู้ในด้านวิชาการในด้านวิชาชีพนะพวกเราคงจะมีกันเต็มที่มีกันพอสมควรประสบาการณ์ที่เราได้ผ่านมาก็คงจะเป็นฐาน ความรูนะ้ที่สำคัญที่เราเจะามาใช้ในการทำงานทำหน้าที่โดยเฉพาะการบริการาประชาชนนะที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะซึ่งก็เป็นงานที่หนักพอสมควรนะเพราะว่าคนที่ม า, าเรานี่ไม่ใช่คนที่ปกติในส่วนของร่างกายหรือบางทีก็ไม่ปกติในส่วนของจิตใจด้วยเพราะนั้น ผู้ที่จะทํางานทางด้านนี้ต้องเป็นคนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงยึดหยุ่นรองรับงานะสิ่งที่จะเข้ามาอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะสําหรับคนที่ทํางานในด้านการบริการสาธนารณสุขนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลนะหรือบุรุษพยาบาลก็ดีเภสัชกรก็ดีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขก็ดี นะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะสำหรับการที่จะพร้อมในการที่จะไปทำงานเท่าที่ทราบโครงการนี้มีกำหนดสิบวันให้ความสำคัญกับการมาอบรมจริยธรรมเนี่ยห้าวัน 50% ซนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะกับหน่วยงานแล้วก็ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ทีนี้เมื่อพูดถึงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกไปว่าเออเดี๋ยวคงจะไม่ได้ฟังธรรมะข้อนั้นข้อนี้ธรรมะเพื่อการครองตนครองงานนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเราก็พอจะรู้กันมาพอสมควรอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเรารู้มาเราผ่านประสบาการณ์มาพอสมควร แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าบางทีมันมีเรื่องมากระทบกระเทือนใจทำให้เราท้อแท้ท้อถอยนะทำให้เราไม่มีกำลังใจในการทำงานหรือบางทีก็บั่นทอนนะกำลังใจซึ่งตรงนีนะ้เป็นสิ่งสำคัญที่เราน่าจะได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ทำยังไงที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติมันมีกำลังมันมีพลัง พร้อมที่จะทำการทำงานพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆตรงนี้เข้าใจว่าคนที่ทำงานมาคงจะได้ผ่านประสบการณ์มาบ้างแต่ก็มีบางครั้งบางโอกาสที่เราเผลอไผลใจเราหลงไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆหลงไปกับคำสรรเสริญนินทาหรือหลงไปกับสิ่งต่างๆที่ทำให้ใจของเราเนี่ย ไม่ปกติขึ้นมาดีใจบ้างเสียใจบ้างทุกใจบ้างใจดีใจเสียใจไม่เป็นปกติ ฟ, ฟูฟูแฟบแฟ บ, บางทีก็ห่อเหี่ยวหดหูนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งต่างตงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขมันได้แต่โชคดีอย่างหนึ่งธรรมชาติเนี่ย มันจะพยายามปรับเข้าสมดุลถ้าเราไม่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดกับมันมากพอเราเกิดปัญหาขึ้นมาบางทีเราก็พยายามจะไปหากิจกรรมหาบุคคลหาวัตถุต่างๆที่จะมากลบเกลื่อนความรู้สึกเหล่านีนะ้หรือว่าบางคนก็เก็บกดนะเก็บกดไปเลยสนะิ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราไม่ได้แก้ปัญหาไม่ไปถึงต้นเหตุนะะ ที่จะแก้ปัญหาจริงๆเราไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ไม่กล้าที่จะเผิ่นกับความจริงในใจที่มันเกิดขึ้นจะเป็นความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีอารมณ์ต่างๆก็ดีความคิดปรุงแต่งก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราไม่กล้าเผชิญไม่กล้าที่จะเรียนรู้เราก็วิ่งหนีมันเรื่อยไปเพราะฉะนั้นความสุข ที่คนส่วนใหญ่เขาวิ่งหากันเขาก็ไปวิ่งหาจากข้างนอกวิ่งหาจากคนบ้างจากสถานที่บ้างจากอาหารการกินบ้างจากความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการชอปปิ้งบ้างาจากการหาวัตถุมาปลุนเปลือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนและความสุขชนิดนี้ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแปรผันได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราจึงห่วยหาห่ยหาความสุขที่เป็นสุขที่แท้จริงวิ่งไปหาข้างนอกไม่เจอแต่ความสุขที่แท้จริงมันมีอยู่ในใจของเราถ้าเรากลับมาเรียนรู้ผ่านความทุกข์ยากผ่านอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเราจะเห็นเราจะรู้เราจะไม่เข้าไปในอารมณ์ที่สุขสขุทุกๆ เราจะปลปล่อยตัวเองหรือปลปล่อยใจเนี่ยให้ห่างจากอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆเป็นอิสระเป็นอิสระจากความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ราะฉะนันตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสพิเศษที่เรามาอยู่ที่นี่สามวันต่อไปนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้เอาเรื่องนี้เรื่องเดียว แล้วคุณธรรมจริยธรรมมันจะเกิดขึ้นมาเองนะเขาบอกว่าสติหรือความระลึกรู้สึกตัวเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณธรรมเป็นบอกเกิดของคุณธรรมทั้งหลายเพราะนั้นที่วัดป่าสุกโตเนี่ยจึงตั้งชื่อว่าสถาบันสติปัฏฐานเราจะฝึกจะเรียนรู้กันเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ไม่ยากอะไร สติเมื่อพูดถึงสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเรามีอยู่แล้วขณะที่เรานั่งอยู่ขณะนี้เรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ใช่ไหมนั่นก็คือเรารู้สึกตัวลมมันพัดเข้ามาโดนผิวกายเราก็รู้สึกเย็นอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มีอยู่แล้วเป็นความรู้สึกที่มีตามสัญชาติญาณเป็นความรู้สึกสามัญแต่ความรู้สึกนี้ ความรู้สึกตัวนี้มันพอไหมเวลามันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันมันไหมเรารู้ว่าโกรธไม่ดีอ่ะแต่มันห้ามไม่ได้อ่ะเพราะอะไรเพราะความรู้สึกตัวที่มีมันไม่พอมันไม่พอมันไม่ทันมันไม่ไหวความโกรธมันขึ้นวูบขึ้นมามันเร็วมากด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องมาฝึกฝึกให้รู้สึกตัวฉับไวรู้เท่ารู้ทันกับ ความโกรธความโลภและสำคัญที่สุดคือความหลงความหลงนี่คือหลงอะไรหลงลืมตัวเองหลงไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆหลงไปในอารมณ์ต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมใจของเราใจมันก็จะลื่นไหลนะมันจะหลงไปกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่สุข เราก็พอใจยินดีอยากให้มันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ที่ทุกข์ความทุกข์เราก็ไม่อยากจะสัมผัสสัมพันธ์มันไม่อยากให้มันอยู่กับเราแต่จะสุขจะทุกข์เนี่ยเราไปบังคับบัญชาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยความพอเหมาะพอดีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทีนี้การเรียนรู้เรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัว เรื่องของใจเนะี่ยมันเป็นนามธรรมมันจะคิดมันจะนึกเอาไม่ได้มันจะใช้การจดจำและไปคานึงคำนวณไม่ได้แต่มันจะต้องได้จากการปฏิบัติหรือการฝึกการฝึกที่ว่านี้ก็คือการฝึก้าที่เราเรียกว่าถ้าเป็นภาษาวิชาการน่ก็เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมคือการกระทาฐานก็คือเอาการกระทำาเป็นฐานในการฝึก การฝึกใจเนี่ยเราไปคิดเป็นนึกให้มันเป็นไปอย่างที่เราคิดนึกไม่ได้แต่เราอาศัยกายนะซึ่งอยู่ติดกับใจจะไปเรียนรู้ใจให้เรียนรู้ผ่านกายทีนี้เรียนรู้อย่างไรการเรียนรู้เนี่ยนะก็อาจจะใช้วิธีการต่างๆมากมายในประเทศไทยก็ดีรือในพระไตรปิฎกในพูดไว้เยอะแยะหลายวิธีที่เด่นๆในประเทศไทยเราก็มีการใช้ลมหายใจ เรียกว่าอานาปนาสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจสั้นรู้หายใจยาวรู้ให้ใจสงบใจนิ่งนะใจกลับมาอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวนะแต่ไม่ใย่สงบจมดิ่งไปเลยนะการสงบจมดิ่งไปเลยเนี่ยมันให้ความสุขชั่วขณะหนึ่งแต่ปัญญามันไม่เคยเกิดนอกจากการใช้อานาปนาสติ ครูบาอาจารย์หลายสำนักหลายแห่งก็มีคำบริกรรมเข้าไปยุบหนอพองหนอสัมมาละหังพุทโธหรือบางแห่งก็ใช้ดงแก้วเพ่งเข้าไปจุดประสงค์หรือวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เนี่ยใจที่มันหลงไปกับความคิดปรุงแต่งหลงไปกับอารมณ์ต่างๆกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวซ mm. ึ่งเป็นวิธีการที่เราคงจะได้เคยฝึกกันมาบ้าง คงจะได้เคยได้ยินได้อ่านได้ฟังกันมาบ้างอีกวิธีหนึ่งนาะที่เป็นวิธีที่หลวงพ่อเทียนนาะท่านได้นาเสนอไว้เมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วนาะเขาเรียกว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวสมัยที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนใหม่ๆเนี่ยมีหลายคนไปบอกว่าสิ่งที่ท่านสอนไม่มีในพระไตรปิฎก หลวงพระเตียนนั่นอ่านหนังสือไม่ออกท่านไม่เคยอ่านพระไตยพิดกท่านก็บอกก็เขาไม่เขียนมันก็ไม่มีนะแต่ทีนี้นพอมาระยะหลังเนี่ยเรามาอ่านในพระไตยพิดกเนี่ยเราพบเลยว่าในมาสติปฐานสูตรเนี่ยหมวดกายานุปัสนาสติปฐานหมวดอิรียบทบพระสัมปชัญญะบพระเนี่ยมันมีเรื่องที่หลวงพ่อเทียนทมก็คือคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกให้รู้สึกตัว ยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวกินดื่มพูดคิดให้รู้สึกตัวซึ่งตรงนี้มันมีอยู่มีหลักฐานชัดเจนอยู่ในพระไตรปิฎกเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันไม่มีชัดมายกม้ยกมือผู้ที่มาที่นี่ใหม่ๆเนี่ยจะแปลกใจที่วัดป่าสุโกโตนี่เขาไมไ่นั่งหลับตากันนะเขาไม่นั่งบริกรรมกันนะเขาไม่ได้เพลงดวงแก้วเขาลั่งลืมตาเขามีการเคลื่อนไหว หลายคนก็สงสัยว่าแล้วมันสงบได้ยังไงมันจะรู้ได้ยังไงสมัยเทตมาไปฝึกกับหลวงพเทียนใหม่ๆก็มีคำถามนี้หลายคนก็ไปวิพากษ์วิจารว่ามันเป็นไปไม่ได้การเจริญสติแบบนี้มันจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงแต่เมื่อเราไปทำการยกม้ ย, ยกมือเนี่ยเราต้องการที่จะให้ใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ใจที่มันหลงไปกับความคิดปรุงแต่งหลงไปกับอารมณ์ต่างๆให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวการที่ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยก็คือใจมีสติเป็นสติที่รู้อยู่กับปัจจุบันขณะขณะที่เรายกมือขณะที่เราพลิกมือเราก็รู้รู้ว่าพลิกรู้ว่ายกรู้ว่าหยุดรู้แค่นั้นอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้น เพียงแค่รู้สึกกับการเคลื่อนไหวตรงนี้มันจะเป็นฐานสําคัญถ้าเรารู้ให้ทีทีรู้ให้บ่อยๆรู้ให้ต่อเนื่องมันจะเกิดอะไรขึ้นใจมันก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่มันเคยคิดแวบไปเนี่ยมันก็จะไม่ไปแล้ะมันไปเหมือนกันแต่มันจะกลับมาตรงนี้มันจะรู้ฐานหรือที่ตั้งของมันมันจะไม่หลงเตลิดเปิดเปลืงไปกับความคิดปรุงแต่งกับความสุขความทุกข์ตรงนี้แหละ นะทำให้ใจเนี่ยเป็นปกติใจมันกลับคืนสู่ความเป็นปกติใหม่ๆเนี่ยคนที่ทําใหม่ๆเนี่ยจะจะไม่จะไม่ไมค่อยเห็นประโยชน์หรอกไม่เห็นมีอะไรเลยทําไปก็ไม่เห็นมีความสงบเลยยิ่งทําก็ยิ่งฟุง้งซ่านนะบางคนบอกเอ๊สงสัยไม่ถูกแล้วมั้งไม่เหมาะกอบจริตนิสยัยเราแล้วมั้งทําแล้วมันต้องสงบสิไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหม ความสงบมีสองอย่างหนึ่งความสงบแบบไม่คิดอะไรความสงบแบบไม่คิดอะไรนี่ก็คือต้องอาศัยกําลังสมาธิกดข่มความคิดไม่คิดกดกดกดเอาไว้ให้นิ่งนะฮซึ่งอันเนี้ยจะได้ความสุขชั่วขณะปัญญาไม่เกิดเขาบอกเปรียบเทียบเหมือนหินมันทับหญ้าหญ้าไม่ตายแต่มันเหลืองเทาหินออกย้ามก็ขึ้นเหมือนเดิมเหมือนกับเราไปกดความคิดเอาไว้ กดกิเลสเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่แสดงตัวมันก็นิ่งๆเฉยๆแต่พอเราลืมตามาเราไปทำาน่นทานี่เห็นสิ่งที่พอใจไม่พอใจก็ยังเกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้เราไม่ทันมันแต่การที่เรามาเคลื่อนไหวก็ดีใช้ลมหายใจก็ดีเนี่ยก็จุดประสงค์ที่จะทำให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยตื่นขึ้นคนเรามีตาสองตาเนี่ยตาเนื้อเนี่ยดูเข้าไปข้างนอกเรียนรู้โลกข้างนอก แต่เรามีตาในอีกตาหนึ่งคือความรู้สึกตัวเ็าเรียกว่าตาใจหลวงพ่อํำเขียนใช้คำว่าตาวิเศษเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราแต่เราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็ทุกๆุกสุขชีวิตมันแปลปรนอยู่ตลอดเวลานะเรียกว่าใจไม่แค่เป็นปกติขวัญไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวขวัญหนีไปอยู่เรื่อยบางคนขวัญเสียต้องไปให้หมอขวัญเรียกขวัญ ต่อบนี้ถ้าเราจเจริญสติเราไม่ต้องไปให้หมอขวัญเรียกแล้วเราเรียกขวัญกลับมาเรียกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวการจะเรียกใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็อาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยการเคลื่อนไหวมีข้อได้เปรียบกับลมหายใจลมหายใจนี่มันเบาบางคนใช้ลมหายใจเนี่ยมันเบาแล้วบางทีทาไปนานๆเนี่ยหลับไปเลยมาหลงต้นลมนิ่งไปเลย นะซึ่งอันนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเราทําตรงนั้นไม่ชัดเนี่ยใช้การเคลื่อนมือเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันจะชัดเหมือนกับเรายิงธนูเนี่ยเป้ามันใหญ่เนี่ยโอกาสที่เราจะตรงเป้าเนี่ยได้มากกว่าเป้าเล็กๆลมหายใจเหมือนเป้าเล็กๆแต่เราใช้มือเนี่ยเ ป, เป้ามันใหญ่เพราะนั้นการเคลื่อนไหวด้วยมือด้วยการยกมือก็ดีด้วยการเดินจงกรมก็ดีเนี่ย เอาเป็นเป้าให้ใจมันกลับมาอยู่ตรงนี้พยายามให้ใจมันกลับมาอยู่ที่กายไม่ๆเนี่ยทำมันก็จะคิดน่ยคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแต่ต่อไปนี้ถ้าเรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันคิดแป้บไปเรากลับมาตรงนี้ได้คิดแป๊บไปเรากลับมาตรงนี้ได้พูดง่ายๆคือไม่ห้ามความคิดแต่ไม่ตามความคิดมันจะคิดคิดไปแต่เราไม่ตามมันทิ้งไปเลย คิดขึ้นมาทิ้งไปเลยกลับมาอยู่ตรงการเคลื่อนไหวที่กายนี้อาศัยการเคลื่อนไหวให้ใจเนี่ยมันกลับมาอยู่ตรงนี้ถ้าทําบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยกําลังของความคิดที่เป็นความคิดจกุกคิดจิกคิดไม่จบไม่สิน้นคิดพลั้มเพลือเนี่ยมันจะมีกําลังน้อยลงเรียกว่าเป็นการทอนกําลังความคิดลงความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมาความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะมันจะเด่นขึ้นมาตัวนี้แหละจะคุ้มครองใจ ให้ใจของเราเป็นปกติใจของเราไม่ฟูไม่แฟบไปตามอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ที่น่ายินดีไม่น่ายินดีความพอใจไม่พอใจนอกจากนั้นเนี่ยมันยังช่วยในการจัดระเบียบความคิดถึงเวลาจะคิดเอามาใช้ประโยชน์ยิบเอามาใช้ได้เป็นความคิดที่ตั้งใจคิดทาการทำงานเราต้องใช้ความคิดเมื่อเราใช้เสร็จเราก็วางถึงเวลานอนก็นอน ไม่ใช่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงงานงานยังไม่เสร็จเป็นกังวลต่างๆ น, น, นานานอนไม่หลับเพราะว่าไม่มีสติคุ้มของปล่อยใจตเตลิดเปิดเปิงไปกับความคิดเนี่ยคนเป็นโรคประสาทเพราะอย่างนี้คนนอนไม่หลับเพราะอย่างนี้นาคนทุกข์ใจเพราะอย่างนี้เพราะใจหลงไปกับความคิดปรุงแต่งแต่เมื่อเรามาฝึกเนี่ย ให้ใจมีสติอยู่กับกายเนี่ยมันจะทำให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจเป็นปกติใจหนักแน่นใจนุ่มนวลใจพร้อมที่จะทำการทำงานเป็นใจที่ตื่นรู้เป็นความสงบที่ตื่นรู้ไม่ใช่ความสงบแบบนิ่งไม่คิดอะไรเป็นความสงบที่เราเปิดตาเนี่ยเห็นอยู่เห็นสิ่งต่างๆอยู่ใจเราปกติเฉยๆอยู่รู้อยู่ ไม่ใช่เฉยแบบซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรนะเฉยอยู่รู้อยู่ควรจะทำอะไรควรจะพูดอะไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันจะมีปัญญาเนี่ยเมื่อสติมาปัญญามันจะมาพร้อมกันไอของนี้มันคู่กันเป็นพี่เป็นน้องกันแต่เมื่อใดก็ตามที่เราหลงไม่มีสติลืมตัวปัญญาจะไม่เกิดของบางอย่างเนี่ยไม่น่าทำเลยเช่นเราโกรธขึ้นมาเราไปดา่าเราไม่น่าไปดา่าก็เลยมารู้เอาทีหลังใช่ไหม เนี่ยเพราะมันไม่รู้ตัวมันลืมตัวเพราะนั้นคำว่าหลงอวิชชาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรลึกลับซับซ้อนเลยคือลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่งทีนี้การลืมตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติมันจะมีนิสัยที่จะลืมที่จะหลงได้ง่ายแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามาฝึกสติการจะลืมจะหลงจะมีน้อยลงเราจะรู้ตัวจะทาอะไรจะพูดอะไรเราก็รู้ก่อนพูดก่อนทา ก่อนคิดก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำมีสติกำกับยับยั้งชั่งใจไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์ไม่ทำอะไรไปตามเครื่อคิดชั่วแล่นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันที่นี่สามวันว่าไปสามวันนน้อยนะจริงๆมันต้องสักเจ็ดวันแต่ไม่เป็นไรเรามีเวลาแค่นี้นะก็ขอให้เราใช้เวลาเนี่ยให้เต็มที่กับเรื่องนี้ ทำในรูปแบบให้มากๆรูปแบบทำยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราค่อยฝึกกันส่วนคนที่วัดนี่เขาจะรู้ละ ว, ว่าจะทำยังไงนะนอกจากการฝึกในรูปแบบแล้วให้เก็บตกกับกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนตื่นนอนด้วยความรู้สึกตัวไม่ลุกหุนหันพลันแล่นเก็บพับผ้าให้เรียบร้อยด้วยความรู้สึกตัว ล้างหน้าด้ยวยความรู้สึกตัวแปลงฟันด้ยวยความรู้สึกตัวแปลงฟันด้ยวยความรู้สึกตัวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลองทํำดูนะกลับไปที่พักถ้าใครยังไม่ได้แปลงลองแปลงดูนะสังเกตไหมเวลาเราแปลงฟันเนี่ยเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ต่อไปนี้มันคิดเนี่ยกลับมาอยู่ตรงเนี้ตรงที่เราแปลงคิดปุ๊บกลับมาตรงนะี้คิดปุ๊บกลับมาตรงนี้ น, น, นี่คือฝึกสติกับการแปลงฟันถึงเวลานอนจะมีเรื่องคิดอะไรวางไว้ก่อนตอนนี้ได้เวลานอนแล้วหัดมัน ใจที่มันเคยคิดนู่นคิดนี่หัดให้มันอยู่ที่นี่บ้างมันเคยเป็นลิงกระโดโดโลดเต้นไปหัดให้มันอยู่ตรงนี้เราเอากายเป็นฐานการเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนเชือกที่กระตุกให้ลิงเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่ลิงคือใจอะ่ะให้มาที่ที่กายก่อนถ้าใจอยู่ที่กายได้บ่อยๆเดี๋ยวความรู้สึกตัวมันจะไปเรียนรู้เรื่องละเอียดเข้าไปในตัวเราเยน็นร้อนอ่อนแข็งปวดเมื่อย นะความพอใจไม่พอใจความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนิสัยความเคยชินเก่าๆปรากฏ ก, การณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามันจะแสดงตัวออกมาตรงนี้ถ้าเราเห็นชัดถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเราเห็นชัดเนี่ยเราจะไม่โดนความคิดปรุงแต่งมันหลอกหลอกให้ดีใจหลอกให้เสียใจหลอกให้เศร้าให้โศกหลอกให้อะไรอาวร นะตรงเนี้ยเราจะไม่โดนหลอกแล้วแต่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้การที่เราไม่ได้ฝึกเนี่ยมีอะไรมากระทบใจเราตั้งรับไม่ทันเลยเสียใจดีใจจนไม่ใจของเราไม่เป็นปกติบางคนเป็นโรคประสาทไปเลยมีเรื่องที่คาดไม่ถึงอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายน่าเห็นใจมากเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยจะทําให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับแนวกับตัว เราจะได้เห็นสิ่งที่มีค่าและถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจได้บ่อยๆความเป็นปกติของใจนี่แหละคือความสุขที่มีโดยธรรมชาติมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปเสียสตังซื้อความสุขเป็นของให้เปล่าที่ธรรมชาติให้มาแล้วแต่เราไม่รู้เราไม่รู้เลยวิ่งหา วิ่งหาความสุขจากคนจากวัตถุจากสถานที่จากเสียงเพลงจากอะไรต่างๆมากมายเปรียบเทียบแล้วแต่ความเป็นปกติของใจเนี่ยลถมันค่อนข้างจืดชืดหน่อยนะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกับเวลาเรากระหายน้ำเนี่ยเรามักจะต้องกินน้ำหวานน้ำเปรี้ยวเราไม่ค่อยกินน้ำจืดเพราะเร า, เราคุ้นเคยกับรสชาติ เหมือนใจของเราคุ้นเคยกับความสุขความทุกข์แต่ไม่เคยหรือไม่คุ้นเคยกับความที่ไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะเฉยๆอะ่ะตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่น้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้น้อยคนที่จะสัมผัสเรื่องนี้แต่ถ้าเราได้มาฝึกแล้วเราจะมาสัมผัสต ร, ตรงนี้เป็นความละเอียดอ่อนของใจเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วเป็นความสุขกเกษมสารที่มีอยู่ในตัวเรา แล้วตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังใจเป็นกำลังใจให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาในการที่จะมีชีวิตในการที่จะทำงานในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามขึ้นมาในสังคมใจที่ดีก็จะส่งเสริมให้เราทำในสิ่งที่ดีใจดีก็จะพูดดีแล้วก็ทำดีแต่ถ้าใจไม่ดีใจหลงไปในเรื่องราวต่างๆหลงไปในสิ่งที่ไม่ดี มันก็จะพูดไม่ดีคิดไม่ดีเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าใจสำคัญนะฮะใจนี่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องใจไปให้ความสำคัญเรื่องอะไรเรื่องวัตถุเรื่องความร่ำรวยเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะแล้วก็ไม่รู้ละได้มาโดยวิธีใดจะโกงเขาขอรับชั่นก็เอาขอให้รวยก็แล้วกันนะซึ่งตรงเนี้ย เป็นปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องใจเพราะว่าอย่างว่ามันไม่มีตัวตนเนาะเห็นยากมันมีนิทานเล่าเล่าให้ฟังมีคนก็ถามว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะอยากทำอะไรคนแรกที่เขาไปถามก็ไปถามเทวดาแล้วว่าเทวดาเขาจะตอบว่างไงถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์จะทำอะไรเทวดานี่ปกติมีความสุขนะจะกินอะไรจะ มีอ่านทิปอะสบายมีความสุขจะไปไหนมาไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในพระไตยบิดกมีเขาพูดถึงเทวดาเนี่ยนะเทวดานี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นตลอดกาลนะมันมีอายุไขพอหมดอายุไขเนี่ยเขาถามเทวดาเทวดาจะากไปเกิดเป็นอะไรเป็นมนุษย์ทำไมอะเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันได้มีโอกาสได้ประสบกับความสุขความทุกข์ ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองนะได้เรียนรู้ตัวเองได้สามารถปลดปล่อยตัวเองจากความสุขความทุกข์ดูเหนือสุขเหนือทุกข์ได้นะเทวดาบอกถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยขอให้ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมนะอันนี้ถามเทวดานะทีนี้ไปถามนาคนาคถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณอยากทำอะไรนาคบอกอยากบวช พระพุทธเจ้านี่ไม่บวชใช่ไหมถ้าเป็นนาคนีไม่บวชสมัยก่อนมันมีเรื่องเล่าว่านาคปลอมตัวมาเป็นพระถึงเวลานอนแล้วหลงตัวเองตื่นขึ้นมายังเป็นนาคเขาก็เลยบอกเนี่ยเป็นนาคไม่ได้เป็นคนพระเจ้าเลยแมนุญาตนให้นาคบวชแต่เพื่อให้เป็นเกียรติหรือระลึกถึงนาคก็เลยก่อนบวชให้เป็นนาคก่อนนะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของนาค ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้บุตรอันนี้สามไปถามพระภุมิเจ้าที่ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นอะไรอยากทำอะไรโ oh, oh, เขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะทำมาหากินด้วยตัวเองไม่ต้องไปมัวขอให้คนมานะเอามาให้เอามาถวายนะมันรอมทีได้บางทีก็ไม่ได้ใช่ไมบางทีเจ้าของบ้านก็ลืมนะอันนี้คือพระบูมิเพราะนั้นได้ขยันขันแข็งทางาน ไปถามเปรตเปรตนี่เป็นเปรตเนี่ยเพราะว่าขีโลบคิงกขคีเหนียวคีตนีพอตายไปนี่ก็ท้องเท่าอะไรอ่ะท้องเท่าหมออ่ากเท่ารูเข็มอะไรเงี้ยนะคืออยาก <c oughs> แต่ว่ากินไม่ได้ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เขาบอกว่าเขาจะยอมเสียสละเขาจะทําบุญสุนทานจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นเปรตต่อไป ไปถามสัตว์นรกสัตนรกนี่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัรวนรกเพราะอะไรเพราะทา ผ, ผ, ผิดทำผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นไม่อยากทรมานแล้วถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะทาความดีอยู่ในศีลในธรรมสุดท้ายไปถามมนุษย์มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์อยากทําอะไรอยากเป็นอะไรมนุษย์บอกอยากรวยอยากมีชื่อเสียงนะ อยากให้คนเขายอมรับนับหน้าถือตาน่าสงสารไหมถา ม, มนุษย์มนุษย์มนุษย์ษ ม, ษมามัวเอาวัตถุเนี่ยมาเอาวัตถุข้างนอกเนี่ยแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองก็ทุกข์มาทีวุ่นวายเขาเรียกว่าคนคน่ะคนมันละคนปนเปนกันไปหมดเราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้สังคมเลยวุ่นวายกันไปหมดเลยไ เราไม่เห็นความสำคัญของเรื่องใจเราไม่ได้มาฝึกใจกันเราทำอะไรตามใจตัวเองอย่างที่เขาบอกอะไรไทยอิสระคือไทยแท้อะไรใช่ไหมทำอะไรตามใจตัวเองทำอะไรไม่ได้ก็เอาม็อบมาลยุยอะไรเงี้ยอันนี้มันทำให้เกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่วัดป่าสุกโตเป็นโรงเรียนฝึกใจโดยใช้หลักสติปัฏฐานสโดยเอาวิธีการของหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อคำเขียนได้สืบทอดมาและเราก็ได้พากันปฏิบัติพากันทาเพราะนั้นสามวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือเรื่องของการฝึกใจเครื่องมือในการฝึกคือสติปัฏฐานสการรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเป็นวิธีการหนึ่งในหที่มหาเทรสมาคมอนุญาตให้เผยแพร่ทั่วโลกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท ที่มันมีหลักฐานยืนยันเพราะนั้นมาที่นี่อย่าสงสัยเกินไปอย่าลังเลเกินไปลงมือทาเลยสมัยก่อนนะแตมาไปกับหลวงพ่อเทียนนะสมัยที่ได้บวชและได้อยู่กับหลวงพ่อได้ไปตามนั้นไปอบรมเนี่ยสังเกตว่าชาวบ้านเนี่ยนะชาวบ้านในชนบทเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดอะไรมากเขาเชื่อฟังพระมาก หลงพ่อบอกให้ทำอะไรเขาก็ทำเลยนะเขาไม่ถามเลยว่าทำไปทำไมทาแล้วมันจะได้ผลยังไงมันจริงหรือไม่จริงเขาไม่ถามเลยแล้วพวกนี้เข้าใจธรรมะเร็วมากแล้วเข้าใจแล้วไม่พูดด้วยแต่เราเห็นกิริยาการเขานิ่มนวลใจเย็นมันแสดงออกกิริยาการมันแสดงออกแต่คนที่มีการศึกษามากๆเนี่ยไม่ยอมทำนา ท, ทีนึงเงกเรียกว่าชาล้นถ้วยอะ่ะเคยได้ยินม มันมีน้ําเต็มแก้วอะ่ะเจ้าน้ําใส่ใหม่ก็ใส่ไม่ได้มันเต็มแก้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาล้นทวดเราต้องเอาน้ําทิ้งออกก่อนทําแก้วให้เปล่าๆพร้อมที่จะรับสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์แล้วสาระประโยชน์นี้ไม่ใช่ด้วยการฟังอย่างเดียวไม่ใช่ด้วยการคิดอย่างเดียวลงมือปฏิบัติที่นี่จะเน้นการปฏิบัตินะไม่ใช่กรรมฐานวิชาการจันทุงสินมันพูดเอาไว้เป็นกรรมฐานปฏิบัติการ ซึ่งการปฏิบัติเนี่ยนะเราจะได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องทดสอบกําลังใจของเรานะซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันกทีในตอนการปฏิบัตินะก็เรียกว่าความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลพวกนี้มันจะมาเลยตัวนี้แหละคือเครื่องกลางกั้นแม่เราทํา เรีกวเป็นมารชนิดหนึ่งตะกี้นี้ที่เราสวดนะมารที่กั้นแม่เราทําเพราะฉะนั้นเราตั้งใจมาปฏิบัติถ้าเจอมารเหล่านี้ลุยเลยนะอย่าไปยอมแพ้ท่าง่วงลุยกับมันเลยลุยด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนะใหม่ๆหนี่นะตั้งใจดีๆทําดีๆบางทีมันเครียดมันตึงไปบ้างไม่เป็นไรค่อยๆห ย, ย่อนค่อยๆผ่อนคลายเนาะบางทีมันยังไม่รู้ว่า จุพอดีมันยังไงแต่คนเก่าๆนี่ก็จะรู้ละอ๋ออย่างนี้มันหนักไปนะผ่อนให้มันเบาลงอ๋อตรงนี้มันหย่อนไปก็อ๋อยตึงนะอันนี้เป็นเรื่องของศิลปะซึ่งอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีอย่าเพิ่งไปกังวลมันเอาว่าหนึ่งเปิดใจกว้างๆรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์สองพระบอกให้ทําอะไรทําตามเลยถ้ามีข้อสงสัยถามให้หมดกันก็ได้หรือไม่ต้องสงสัยเลยก็ได้ปล่อยเลยลองทําดู นะทำให้ใจเราเปิดเปิดแล้วลองฝึกดูถ้าทำสามวันแล้วไม่เกิดผลอะไรไม่ดีทิ้งไว้ที่เนี่ยไม่ต้องเอาไปแต่ถ้าทำแล้วดีติดตัวไปเลยติดตัวไปวันนี้จนถึงวันตายหลวงพ่อคำเขียนแสดงให้เราดูแล้วว่าความไม่ทุกข์ก็มีนะเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายมีนะหลวงพ่อแสดงให้ดูท่านตายโดยไม่ทุกข์ สงบนิ่งมากป่วยถ้าไม่มีเครื่องทางแพทย์นี่เราไม่รู้เลยท่านป่วยท่านป่วยท่านก็ยังไปนูน่นไปนี่ทำนั้นนันนี้ได้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างเป็นเครื่องรองรับคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าชีวิตเหนือเจ็บเหนือตายมีจริงๆหลวงพ่อเทียนแสดงแสดงให้ดูหลวงพ่อคำเขียนแสดงให้ดูเป็นสิ่งที่มีจริงๆ นี่แหละคือสังขรตนะพระสงฆ์ที่รองรับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดแล้วก็มีจริงจริงเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของหลวงพ่ออย่างเดียวทุกคนทำได้หลวงพ่อบอกทำได้จะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรดีกว่าไม่ทำเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เพราะนั้นโดยสรุปในเย็นวันนี้นะก็ เป็นการเชิญชวนนะพวกเรานะได้มาฝึกจิตฝึกใจนะด้วยหลักสติปัฏฐานสรายละเอียดวิธีการฝึกจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเอ่อมาคุยกันในช่วงหลังจากทำวัดนะจะต้องพูดกันในรายละเอียดแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันจริงๆสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ไม่ได้มากับกลุ่มจะร่วมปฏิบัติก็ได้นะในสาวันนี้นะก็ นดีและอนุโมทนาเนาะกับพวกเราทุกคนในที่มาที่นี่แนนามของวัดป่าสุกโตก็ต้องขอบคุณพวกเรานะมาใช้สถานที่ไม่งั้นวัดป่าสุกโตก็จะร้างไปเหมือนที่หลวงพ่อกำกรรเขียนพูดว่าถ้าที่นี่ไม่มีการเจริญสติมันจะกลายเป็นวัดร้างแล้วก็เป็นตำนานที่จะเล่าสืบต่อกันไปแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการมาเจริญสติ ทำให้วัดป่าสุกตูมีชีวิตชีวาขึ้นได้ใช้ประโยชนนะ์แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกชีวิตไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะครอบครัวเราสังคมเราประเทศชาติเราและโลกของเราก็จะเกิดสันติสุขสันติภาพอย่างแน่นอนนะก็ขอเจริญพรนะมาณนโะ อ, อกาสนี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงอากุลของพระศรีรัตนตรยัย ก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเรานั่นแหละพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งภายในตัวเรานอกตัวเราพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติการปฏิบัติการเจริญสติเพื่อเห็นความจริงาของสิ่งต่างๆแล้วไม่หลงหนาไปกับ สิ่งที่มาล่อหลอกหลอกลวงต่างๆด้วยคุณของพระรรรมตรัยที่มีในตัวเราความศรัทธาความพยายามความอดทนนะความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องนะขอให้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้ถึงที่สุดแห่งทุกนะก็คือใจเป็นปกติในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร